ทัศนะสู่ธรรมเรื่องทวนกระแสจิตถึงจิตก่อนคิดโดยอาจารย์โกวิทอนเนกกระชัยเขมานันทะวันที่19เกพฤศจิกายนพุทธ ศ, ากาศักราชสอง8ห้า้สามสิบดีอาการที่ท้องดางไปอ่อนเปลียไปบ้างเกือบจะงดเว้นเลยครับ เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทั้งๆที่ไม่มีเขามาก่อนโลกเกี่ยวกับกเพาะหรืออะไรพวกนั้นตามก่นาการมายายครั้งนี้ผมก็แต่ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของรอบปีและรอบสิบปีแล้วครับอข อ, อรมพ บ, บทถึงความขอบพระคุณตามที่ที่ให้โอกาส ผมได้าาบญญาเมื่อกี้มีท่านผู้หนึ่งถามเรื่องประวัติผมเล็กน้อยก็เลยขอเทียวกาสเล่าสนิดนึงเลย ว, ว่าผมลาศิขาจากนักบวชก็ไม่เคยคิดไม่เคยหวังว่าคนไทยจะยอมรับได้ดีและไม่คิดจะอยู่ประเทศนี้ด้วยครับ แวะมาเยี่ยมครูบาอาจารย์เพียงสเจ็บวันจนวันนี้ก็สิบสองปีนะครับยังไม่ได้กลับแต่ว่าธรรมสถานทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นขึ้นเพราะว่าแม้ท่านสัจจารวีภาวิไลครั้งหนึ่งเคยรู้จักกับผมในฐานะที่ฝ่ายหนึ่งเป็นบาศกฝ่ายหนึ่งเป็นนัดบวช แต่ท่านผมเปลี่ยนเทศแล้วก็ท่านไม่ได้รังเกียจยังเชื้อเชิญให้มาแสดงทัศนาทางธรรมที่สถานที่ที่ที่มีเกียรติของมห า, าวิทยาลัยด้วยผมจริงรู้สึกสาบซิงเหลือเกินครับช่วง ช, ช่วงชีวิตของมนุ่นรอนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางแทบตลอดสายของการลงอยู่บางครัง้งเราก็เดินทางข้ามประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งซีโลกหนึ่งไปสู่อีกซีกลโลกหนึ่งบางคนบางครั้งอาจจะข้ามภูเขายอดที่สูงหรือมหาสมุรทรติดกว้างไกล ประสบการณ์ของการเดินทางนั้นช่วยแผ่ขยายทัศนคติได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดประสบการณ์เหล่านั้นก็กลายเป็นเครื่องประดับเหมือนเครื่องตกแต่ง <Hey. S 1> บางครั้งเครื่องตกแต่งถ้ามากเกินไปเนี่ยกลายเป็นสิ่งน่ารำคาญและดูน่าชังบางครั้งประสบการณ์ที่เรามีกับย้อนมาเป็นอุปสรรค เพราะเราไม่สามารถที่ย่อยสลายมันได้เหมือนดังที่เรากินอาหารแล้วก็ไยทาตไม่ย่อยโรคที่ผมเป็นวันนี้อาจเป็นเนื่องจากอันนั้นก็ได้เมื่อครั้งเราพบคนวังคนนะครับเต็มไปด้วยประสบการณ์แต่ดูเหมือนว่าเขาติดประสบการณ์เขาเองที่ท่าที่แสดงว่ารู้ไปหมดทุกเรื่องไม่มีเรื่องไรที่ข้าวเจ้าไม่รู้ดูไปแล้วอาการเช่นนั้นน่าสมเพชเวทนาอนในตัว บางครั้งคุณนไายประสบการณ์เลยก็น่าลำคาญมากพพูดกับเพื่อนไม่ค่อยรู้เรื่องดังนั้นเองนะครับสิ่งที่เรียกประสบการณ์นั้นเปนมีดสองคมโดยส่วนตัวแล้วทีาผมบางคืนนอน น, อนมีภาพประหลาดๆผ่านเข้ามาในชีวิตนึกไม่ออกเคยเห็นที่ไหนไม่รู้ว่ามันอยู่ประเทศใดช่วงยี่สิปีที่แล้วผมร่อนเร่ไป ม, มากจนหูอื้อตาลาย ด้วยไปตามวิถีทางไปตามกรรมวิบากไปตามแรงขับทั้งภายในและแรงดีคั้นภายนอกบางครั้งก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างบางครั้งเรามีเงินแต่เงินก็ไม่ใชยคำตอบที่จะบอกว่าเราจะเป็นผู้มีความสุขได้บางทีในการสั่งอาหารในร้านชาวต่างชาติ ไม่ใช่ด้วยนั่ น, นหนึ่งที่เราจะสั่งได้และไม่ใช่ด้วยประสบการณ์นในรายชื่ออาหารที่เราคาดคิดล่วงหน้าได้แต่ถท้ที่จริงเราอยากกินร่วมใครสักคนหนึ่งถ้ามีเด็กเล็กๆ เ, เ, เราจะได้ถามก็ว่ากินไอ้นั่นกันไหมหน้าตาอย่างนั้นตงรงความว่ามนุษย์เราต้องการเพื่อนเพื่อนคือชีวิตเชาวจันดงเมื่อ น, นอนหลับพิงหลังมา้า ความรู้สึกที่ชีวิตสัมผัสชีวิตก็กระเป๋าเกิดขึ้นมันไม่เหมือนเรานั่งรถยนต์หรือกําลังเล่นเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะสิ่งนั้นไม่มีชีวิตนนั้นการเดินทางไกลนะครับบางครั้งทำให้เราโดดเดี่ยวเงอะง่อยบางครั้งก็กล้าเรืงร่อนไปสบถิ่มฐานใหม่เติมประสบการณ์ซึ่งแปลกที่เราเห็นภูมิทัศน์ภูมิภาคใหม่เป็นครั้งแรกในชีวิต ซึ่งทำความตื่นตาตื่นใจท่านทุกท่านอาจจะมีประสบการณ์บ้างแล้วนะครับเช่นเราไปต่างจังหวัดในชนบทแล้วเราไปถึงตอนเวลาค่ำคืนเราก็นอนพักเหนื่อยตื่นเช้าลุกไปเดินในตลาดรู้สึกว่าแม่ค้าก็สวยดีอากาศก็ดีเพราะในขณะนั้นความหมักหมมกับความทรงจำเก่าๆ เ, เราไม่มีหรือยังไม่มีโอกาสจะมี ดังนั้นเองเราจึงเห็นโลกว่าเป็นสิ่งใหม่เอี่ยมนี่เป็นประสบการณ์ที่สำคัญครับโลกจะใหม่หรือเก่าขึ้นกับดวงจิตที่สังเกตดูอยู่ดังนั้นถ้อยคำเข้าหารของนักอภิธรรมนะครับซึ่งนั ก, กะตะกะวิยาอาจจะรับหรือคำคืนได้ลำบากที่ว่าเมื่อจิตเกิดโลกเกิดเมื่อจิตดับโลกจะดับเขาพูดนี้ ไม่อาจจับความโดยวิธีทางเหตุผลได้เพราะว่ามันเป็นตัวประสบการณ์โดยตรงผมชอบที่เล่าเรื่องหนึ่งให้หลายๆคนฟังทั้งๆมันเป็นเรื่องเก่ามากๆแต่เมื่อเรื่องเก่าเรื่องนี้มันเนื่องกับความใหม่ก็เลยเล่าแล้วเล่าอีกคือมชาระมงกคนหนึ่งเขามาเยี่ยมผมเมื่อสมัยเป็นนักบวชเขาถูกขับออกจากสุลาเนื่องจากซอกแซกถามปัญหาเรื่องพระเจา้า ถามโน้นถามนี่ซึ่งเขห้ามถามเขาก็ได้ยินข่าวมีพระรูปหนึ่งมาอยู่ที่ ท, ที่หาดสาแก้วครับหลายท่านในที่นี้อาจจะเคยไปเยี่ยมแล้วสมัยโน้นเดี๋ยวนี้เหลือสักหนึ่งในสี่ไม่ถึงครับคลื่นมันน้ําเปลี่ยนทางเดินเขาไปหาผมเวลากลางคืนแล้วก็ถามว่าทําไมผมรู้สึกว่าทะเลในบางวันจึงเป็สิ่งใหม่เอี่ยม ้เรือฮาบาร์ผมซึ่งซื้อมาเมื่อ20ปีที่แล้วเก่าเก่าแล้วล่ะแต่ทำไมบางวันมันดูใหม่ผมนึกสนุกขึ้นในต่ว่าชายผู้นี้ซึ่งถูกขับออกจากสุรลเป็นคนช่างสังเกตและมีภูมิปัญญาที่ประหลาดเขาไม่เหมือนนักศาสนาแต่เขาเป็นชีวิตที่ที่ใช้ส่วนที่ดีที่สุดของชีวิตสังเกตโลกและสภาพแวดล้อมต่าง หลายครั้งที่ผมยกปัวอย่างใ้องโถงนี้นะครับว่าเราอาจจะลืมวันแรกที่เราพบคนที่เรารักเดี๋ยวนี้เธอได้เป็นเพียงภาพเก่าๆสะท้อนอยู่ในหัวสมองของเรานั่นคือเราเริ่มเฉยเมยต่อ บ, บุคคลหรือสภาพแวดล้อมเรา ว, ว่าบุคคลหรือสภาพแวดล้อมเช่นต้นไม้หรือสระน้ำหรือทนะเลนั้นมีผิดมีโทษอะไรซึ่งอย่างนั้น แต่บางวันเท่านั้นครับที่จิตใจของเราแยมบานขึ้นแล้วทันใดนั้นเราเห็นทะเลเนี่ยเป็นสิ่งใหม่เอีย่ยมซึ่งจิตใจของเราช้ำแรกแทรกซึมเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับทะเลหรือต้นไม้หรือแสงแดดที่ชวนคุยชวนฟังนี่นะครับไม่ใช่เรื่องสายลมแสงแดดไม่ใช่เรื่องลมานติกแต่เป็นเรื่องของชีวิตเรื่องชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่บิดแปกจากเรื่องของวัฒนธรรม ก็คือวัฒนธรรมไม่อาจสร้างสรรค์ชีวิตได้แต่จะช่วยต่อแต่งเติมให้ชีวิตดูดูสวยงามขึ้นวัฒนธรรมเปรียบด้วยเครื่องประดับตกแต่งรวมไปถึงพระคัมภีร์หรือพิธีดีดต่อด้วยแต่ชีวิตสร้างวัฒนธรรมถ้าไม่มีชีวิตแล้ววัฒนธรรมก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงกันเลยดังนั้นชีวิตที่ดีชีวิตที่สดและใหม่ ก็จะสร้างวัฒนธรรมที่สดและใหม่ขึ้นชีวิตที่ชั่วต่ําก็จะสร้างวัฒนธรรมชั่วๆวขึ้นดังที่เราเห็นอยู่ดังนั้นชีวิตกับวัฒนธรรมนี้นะครับมันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแต่ไม่เหมือนกันในการเป็นนักศาสนานักศาสนาก็จําเป็นที่ต้องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนับตั้งแต่วัฒนธรรมของภาษาพระคัมภีร์ โบสถ์กิจกรรมของโบสถ์พิธีรีตองตัวอะไรตรงนี้อะไรที่นักศาสนารุ่นเก่าก่อนได้เสกสร้างขึ้นแต่สำหรับผู้ที่เข้าหาตัวชีวิตจิตใจเขาอาจจะไม่เกียตัวเองว่นักศาสนาแต่าสาหรับผมแล้วผมคิดว่าคนเช่นนั้นเป็นนักศาสนาจริงๆเป็นคู่รักของชีวิต เป็นคู่ที่มองโลกและชีวิตโดยความเป็นเอกภาพไม่ใช่เป็นสิ่งที่บกพร่องซึ่งต้องแต่งเติมด้วยคุณค่าอื่นใดอีกข้อนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นเหมือนกับชาวไร่ที่ปลูกฝ้ายจากพื้นดินว่างเปล่าขุดหลุมหย่อนเม็ดฝ้ายลง รถน้ำทวนดินหรือในช่วงฤดูฝนก็ไม่ต้องรดไม่เช้าไม่นานต้นฝ้ายก็ตั้งพุ่มขึ้นแล้วออกดอกจากดอกชาวไร่หรือผู้หญิงสภายหรือพัญญาของเจ้าของไร่จะเอามาดึงใยสาวเป็นใยออกมาใช้กี่ใช้อะไรเครื่องมือพื้นบ้านจนกระทั่งกลายเป็นเส้นด้ายต่อแล้วก็ถักทอจนกระทั่งกลายเป็น ผ้าฝ้ายเป็นเสื้อหรือเป็นผ้ากับม้าหรือเป็นผ้าห่มอะไรก็ตามใจข้อเดียบที่วันนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบระหว่างชีวิตกับวัฒนธรรมตัวชีวิตจริงๆเหมือนดอกฝ้ายดั้งเดิมและขาวสะอาดต่อมามื่ถูกดึงมาเป็นเส้นแล้วขักทอทางวัฒนธรรมให้ค่อยกลายเป็นเสื้อเป็นเสื้ อ, องชาวมอญชาวพม่าชาวไทยแต่สมมุติเราจะเข้าสู่ศาสนธรรม โดยเข้าสู่กระแสวัฒนธรรมนั้นเราจะไม่รู้จักฝ้ายแล้วทั้งไม่รู้จักดอกฝ้ายและไม่รู้แหล่งที่มาของดอกป้ายคือแม่ธรณีผู้ให้กำเนิดแต่พิธีทางของการปฏิบัติก็เข้าสู่ตัวชีวิตนั้นอาจจะอุปมาได้กับการที่เราต้องมีดวงตาที่คมคายสังเกตไปในเนื้อเสือ้อทะลุทะลวงความเป็นเสื้อไปสู่การเป็น้าพ และก็นเนื้อผ้าแล้วทะลุทะลวงก็สู่เส้นใยที่ถูกดึงสาวออกมาย้อนหลังเข้าสู่แหล่งกําเนิดจนไปเห็นดอกฝ้า่จากดอกฝ้า่เห็นแม่ธรณีที่ให้กําเนิดฟาดินที่ให้กำเนิดด อ, อกฟ้า่ <c oughs> สันติก็รสำนั้นครับการวบวชธรรมะนั้นไม่ใช่การพัฒนาแผ่ขยายสัญญาหรือกระบวนการรับรู้ไปสู่ ระบบแมโครหรือย่อนย่อจนเป็นระบบไมโครแต่แท้จริงคือกระบวนการย้อนคืนหลังเข้าสู่ที่สาตนิกเซนเรียกว่าจิตเดิมจิตจริงๆสภาวะบริสุทธิ์ดั้งเดิมของชีวิตซึ่งไม่เคยถูกทำลายเลยความเชื่อมั่นต่อธรรมชาติของชีวิตที่ว่าธรรมชาติไม่น่าจะมีความผิดพลาดใดๆทั้งสิน้นปัจจุบันนี้ชีวิตของเราดูคล้ายมีบางอย่าง ผิดพลาดเราสมรวจลึกเข้าไปในอดีตย้อนตั้งแต่จำความได้เราก็จำวันที่น้ำตาของเราเปียกชะบนเสื้อเมื่อถูกรุ่นที่ลงแก่แต่มันช่างเป็นอยู่ชั่วคู่ช่วยามเท่านั้นครับเดี๋ยวเสียงวะ ร, ะระก็ดังขึ้นมาตอนเด็กๆ เ, เราค่อนข้างมีชีวิตที่บริสุทธิ์ซึ่งผมเชื่อนี่เป็นข้อสังเกตของาศาสนกแทบทุกาศาสนาที่ว่าถ้าอยากจะดูดวงจิตของ ผู้หลุดพ้นจากโลกและสังสารวัติจงสังเกตเด็กน้อยไม่ว่าเป็นเต๋าหรือพุทธหรือเป็นคริสเตียนโดยเฉพาะพระเยซนนูนั้นกับทรงตรัสว่าเด็กๆเป็นสมาธิขาวอ่อนอันสวงสวรรค์อยากจะดูความบริสุทธิ์จงดูที่ตรงนั้นความซื่อไรเบียงสาซึ่งต่อมานั้นคำว่านักบุญก็ลให้ ถ, ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ดีอินโนเซนซ์เป็นชื่อที่ขนานคล้ายๆตำแหน่งสังกัด บ, บิดรหรือตำแหน่งของพระราชาคณะอันหนะ่องนั้นเราคงจำกันได้ครับเมื่อตอนเด็กๆไม่ว่าเราจะเป็นเด็กจีนหรือเด็กไทยหรือเด็กแก่แต่ความเป็นเด็กค่อนข้างเป็นสากลมากๆเท่าๆความเป็นคนแก่ทลานะส่วนที่ ในท่ากลางของการพัฒนาของชีวิตทำให้เราค่อยๆแปลกแยกจากธรรมชาติเดิมๆของเราแล้วสภาพแปลกแยกกันนั้นเติบโตขึ้นก็การสั่งสอนเ่้มสอนหรือเขี่ยเข็นให้รู้สึกนึกคิดตามทางที่ความเป็นพลเมืองที่ดีถูกระบุไว้นั่นมหมายถึงว่าเดิมทีเราเป็นมนุษย์ของธรรมชาติตั้งแต่เด็ก แม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังเป็นมนุษย์ของธรรมชาติอยู่แต่เราถูกพรากจากความเป็นมนุษย์ในกระแสธรรมชาตินั้นมาสู่ความเป็นคนเมืองของชุมชนหนึ่งชุมชนใดซึ่งเราจะถูกปัม๊มถูกหล่อหลอมให้รู้สึกนึกคิดเหมือนคนอื่นดังนั้นความวิตกกังวลหลายประการของเราบางทีนั้นไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเลยไม่ได้เกี่ยวความจริงในตัวชีวิต แต่เกี่ยวเนื่องกับการเปรียบเทียบกับผู้อื่นและเรามีจุดอ่อนที่สำคัญมากประการหนึ่งก็คือเมื่อเรามีปัญหานั้นคงจะเนื่องจากเราคิดถึงตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าขอ้อเท็จจริงอันนี้เราต้องสอบสวนด้วยตัวเราเองครับวา่าเรากังวลกับตัวเราเองมากทั้งในเรื่องความดีและความชั่วนั่นเรากำลังเสื่อมหรือเรากำลังเจริญกันแน่บางทีมันจะบอกเท่ ว, ว่า วัตถธรรมนั้นย่อมเป็นคุณค่าขัดแย้งในตัวมนเองเช่นในกระแสว่าทำหนึ่งบอกว่าทําอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อเราขยันทําทําดีแล้วเราก็พบแรงเสียดทานเช่นเราพบคนที่ดีกว่าเราเหนือเมฆยังมีเมฆกำลังน อ, องนั้นเราก็รู้สึกเป็นทุกข์นี่คือคุณค่าของวัตถธรรมแต่สิ่งอังนนี้ถ้าเราสํารวจเข้าสู่กระแสธรรมชาติบริสุทธิ์ดังที่พระเจ้าทรงร้องทาราว่า สุิธรมาภวัตันติแท้ที่จริงมีเพียงกระแสทางชาติบริสุทธิ์เท่านั้นชีวิตของคนหนึ่งๆถ้าเราหยิบมาพิจารณาได้ที่จริงคำว่าหยิบมาพิจารณาได้นี้เป็นการสุ่มตัวอย่างเล็กๆซึ่งโอกาสผิดพลาดสูงมากเหมือนกับว่าทะเลมาหาสมุทรนี้กว้างไกลแต่เราตักกระจกเดียวมาทดสอบในห้องทดลองวิทยาศาสตร์มันคงถูก แต่มันก็คงไม่ถูกอยู่ดีที่ถูกนั้นอาจจะถูกเฉพาะส่วนหนึ่งคือเข็มดังที่พระรู้เจ้าตรัสว่ามหาสมุทรมีรสเดียวคือเข็มซึ่งท่านเปรียบกับวิมุตต์ครับความหลุดพ้นในชีวิตไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนจีนเชื้อสายจีนเชื้อสายไทยรสชาติคือรสเดียวคือรสของอิสรภาพเมื่อค้นหาอิสรภาพในกระแสะวัฒนธรรมบางทีนะครับ อิสระภาพเช่นนั้นอันนี้สภาพที่เรานึกกินเองเมื่อเราคิดว่าเราอิสระเราก็เลยสบายอารมณ์เพียงแต่เราคิดว่าเราอิสระหรือบางคนอาจจะคิดว่าเรารู้ธรรมะ ก, ก็เลยรู้สึกสบายที่สบายเพราะเราคิดว่าเรารู้แต่วันไหนก็ตามที่เราถูกขยา่าเกิดคิดว่าไม่รู้วันนั้นเรา ก, กลุ้มอีกแล้วอันนั้นรากเหง้าของชีวิตซึ่งไปแขวนไว้กับวัตถุสว่าธรรมนั้น มินเนและเสียงเหมือนที่ผมเคยอหมาว่าเหมือนเราไม่มีไฟฟ้าใช้ที่บ้านต้องอาศัยเพื่อนบ้านผู้อารีเปิดไฟฟ้าแล้วก็เปิดหน้าต่างเราก็เปิดหน้า่างเราก็รับได้บ้างพออ่านหนังสือควบคู่กับเขาวันไหนก็ปิดหน้าต่างมันก็ไม่กรุณานาเราหรือไฟฟ้าก็เสียเราปลอยไปด้วยเรคารู้สึกด้านในของเราเป็นความรู้สึกด้านวัฒนธรรมหรือ เป็นความรู้สึกของชีวิตจริงๆในตัวมันนี่คือคำถามและเป็นคำถามที่ค่อนข้างเคร่งเครียดแต่ไม่ใช่เครียดครับเคร่งเครียดผามหวานต้องเป็นคาถามจริงจั ง, จ, งจริงใจหลายคนอาจจะพบปัญหาเรื่องการภาวนาการปฏิบัติธรรมบางทีเร า, าจจะมีความเพียรสูงเราไม่เคยพบค้นที่น่าพึงใจเลย สิ่งอันนี้ปรากฏขึ้นกับแทบทุกๆคนที่หันมาเดินทางนี้นะครับเพราะว่าแรงเสียดทานจะติดตามเราไปทุกแห่งไม่ว่าในโลกของความดีหรือความชั่วพูดถึงความดีหรือความชั่วนั้นจริงในการแบ่งพอเป็นเขาไม่ใช่ข้อแบ่งที่เด็ดขาดเช่นเดียวกับสันปันน้ำมันบอกว่าเส้นตรงไหนคือสันปันน้ำนี่มันไม่มีครับแต่มันพอเห็นเขาเท่านั้นผมจะเปรียบดังนี้ครับว่า เหมือนความมืดกับความสว่างคู่กันแต่ไม่เหมือนกันเลยสองสิ่งนี้ดีกับชั่วต่างกันครับกุศลกับอกุศลไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆเลยครับแต่ว่ามันไม่สามารถแบ่งได้เด็ดขาดถ้ามีบุคคลหนึ่งยืนอยู่ในที่แสงสลัวเราก็เห็นเ้าโครงของเขาเขาก็เคลื่อนตัวมาที่สว่างมากเราก็จําหน้ า, าตำตๆก็ได้นั่นพอจะเปรียบได้ว่าเป็นความดีเป็นกุศล คือเขาเลือกยืนอยู่ในที่จุดสว่างมากๆแต่ถ้าเขาเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในเงามืดเขาก็จะไม่เห็นตัวเองและคนอื่นจะไม่เห็นเขาด้วยนั่นพอจะเรียกได้ว่าความชั่วหรืออกุศลแต่ว่าไม่มีกุศลไหนที่เด็ดขาดจากกุศลไม่มีความดีที่ไม่มีความชั่วและไม่มีความชั่วใดที่ไม่มีความดีความดีและความชั่วเป็นเพียงเขาเขาเงื่อนพอให้รู้ใหเห็นเช่นพระเจ้าตรัสว่า คนกระปั้นอยู่เป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นเครื่องหมายเท่านั้นนะพอพอจะสอได้เขาต้องเป็นคนดีเพราะเขารู้จักบุญคุณที่คนอื่นทําให้ฮทีนะ่เครื่องหมายคนไม่ดีก็ต้องข้ามถือไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่ยอมรับการที่คนอื่นทําดีแล้วเป็นพ่อแม่มีบุญคุณกับเราเราจะรักหรือไม่รักพ่อแม่นะั้นอีกเรื่องหนึ่งบางทีท่านดุดาเหมือน ผมยกไปจะขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องท่านอาจารย์กรุณากุศลาใสเรียนเล่าอันหนึ่งถึงท่านนะบว่าท่านว่ายน้ําเป็นเพราะเพราะนะ้าน้องของแม่แต่ว่าไม่รักนาเลยเพราะวิธีสอนของน้าคือมาบอกให้ช่วยสอนว่ายน้ําจับโยนกัในแม่น้ําเลยเรื่องเรารักแล้ไม่รักอีกเรื่องหนึ่งแต่บุญคุณท่านมีเหมือนพ่อแม่ของเรานะครับทีนิมาจับบทขยายความตรงนี้นะครับว่า คุณความดีมีอยู่ความชั่วมีอยู่กุศลมีอยู่อกุศลมีอยู่ที่จริงหลักอันนี้เป็นหลักกับพิธามะหลักที่เรียกว่ามาติกามาติกานี้นะ่้นภาษาฝรั่งแปลว่า principle นี่สำคัญนะเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์บอกหลักมาติกาเรางงและมาติกาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ที่จริงพราท่านสวดมาติกาในงานศพราะสวดหลักใหญ่ครับเอาพทธามเป็นเป็นหลักธําที่สําคัญยิ่งยู่ครับ หลายท่านมึงเป็นชาพุทธอาจจะอวยงงว่าเมื่อเราหันหน้าไปทางประเทศจีนเราก็เรียนรู้่าเอาทฤษฎีหญิงหยางซึ่งงดงามและเหมาะสมมากในการมองชีวิตให้เป็นสิ่งสัมพันธ์ของปฏิสัมพันธ์ของสองขาวดำหรืออะไรนะี่นะหลักหญิงหยางเป็นหลักที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์อะไรต่างๆได้แต่ทำไมพุทธศาสนาจึงไม่มีหลักเช่นนี้ ใช่ไปมีหลักเรื่องกรรมดีกรรมชั่วซึ่งค่อนข้างเป็นจริยธรรมแต่ที่จริงถ้าเราไปฟังพระสวดเรื่องมาติกาเราคือว่านี่คือหลักอภิยปรัชญากุศลธรรมากุศลธรรมา ค, ค า, คคาคือขาวคือดําคือกลางกลางอะไรนี่มันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยซึ่งเป็นการมองแบบที่ลุ่มลึกนะด้วยมาตราหรือมาติกานั้นครั้งอดีตผมเชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ฟังพระสวดในงานศพอะไรเนี่ยเขาฟังกันรู้เรื่อง แม้ผู้หญิงจะไม่เคยบวชเรียนแต่อาศัยสามีซึ่งเคยบวชเคยเรียนรู้บาลีอาศัยไปวัดบ่อยในที่สุดก็ฟังออกเหมือนฟังดิชชนรีเวทนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าใจครบถ้วนแต่พอได้ยินชื่อาอานิจจังเข้าใจทันทีเพราะความเข้าใจเป็นเรื่องแสงสว่างภายในคำพูดจากผู้รู้เป็นเหมือนการจุดประกายเท่านั้นครับแล้วมันมีประสิทธิภาพสูงเพราะมันได้กลายเป็นสัลกแต่ถ้าเป็นคาอธิบายแบบ Description หรือคำอธิบายนีเราจะเริ่มสับสนกับการตีความดังนั้นอะไรที่เราเห็นครั้งแรกแล้วเข้าใจทันทีนี่เป็นสิ่งีสำคัญมากผมอยากจะเปรียบกับการพัฒนาการของการแผ่ขยายสัญญาซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และความรู้ดังที่บรรยายนหลายคนแล้ว น, นะครับว่าความรู้นั้น ส่วนใหญ่ตัวการสาคัญในการพัฒนาความรู้ก็คือความทรงจำคือถ้าจําได้มากมันก็คิดได้มากจําได้แม่นคิดได้แม่นจําได้กว้างคิดได้กว้างครับจําน้อยคิดน้อยไม่จำก็ไม่คิดนะครับแต่ว่าไม่จําไม่มีนะดังนั้นพูดได้นะครับว่าความจําเนี่ยเปรียบเสมือนปืนของไฟคือความคิดแต่การสังสงความจําันนั้นก็ได้ความรู้ประเภทหนึ่ง ท, ที่ผมมักจะเรียกว่าโนเลตสําหรับผู้ที่ฟังภาษาฝรั่งมันข้าออกนะฮะซึ่งเนื่องจากความจําแต่ในทางธรรมนั้นเราต้องพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นทางธรรมนี่คือสิ่งไหนที่เรายังไม่รู้เราจําไม่ไดน้นั่นยังไม่ใช่ปัญหาของเราเหมือนใครคนหนึ่งถือพรมจารีไม่รู้เรื่องเพศดังนั้นไม่ใช่ปัญหาของเธอหรือของเขาแต่ว่าปัญหาทางธรรมคือรู้แล้วสลักไม่หลุดนี่คือปัญหาทางธรรม รู้แล้วยึดติดนี่คือปัญหาครับไม่รู้นั้นยังไม่ใช่ปัญหาแท้แต่อาจจะลุกลามเป็นปัญหาได้ความไม่รู้นี่นะแต่ในทางธรรมนั้นมีเงื่อนไขสําคัญมากคือว่าจะรู้มากรู้น้อยไม่สําคัญอะไรคิดเก่งคิดไม่เก่งไม่สําคัญอะไรแต่ทุกๆความรู้จะต้องมีความรู้ขั้นเด็ดขาดอีกครั้งรู้หนึ่งเข้ามาเป็นฟิลเตอร์ไม่ฉะนั้นเราเสียหลักดังเห็นว่าคนที่มีความคิดมาก บางทีก็มีชีวิตซึ่งน่าสมเพศเวทนาความคิดความรู้นมากมายได้ทำร้ายเจ้าตัวเข้าอย่างแสนสาหาัสคราวนี้ผมค่าจะเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตของสองท่อนของสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าดับได้และปีเชื้อความเป็นดับได้ก็คือความที่พึ่งตัวเองไม่ได้ฟักตัวนิ่งอยู่ในพวังของธรรมชาติ นอนนิ่งอยู่และชักใ ย, ยพันแต่เป็นช่วงที่สําคัญมากของการกลายกลับฉับพลันเป็นผีเชื้อแต่สมมุติว่าเราเกิดเข้าจะติดต่อวิถีชีวิตของดักแด้เข้าใจว่าคือการสั่งสมความเป็นดักแด้เรื่อย ๆ, ๆในสึกมันจะตายครับถ้ามันไม่กลายกลับฉับพลันเป็นผีเชื้อดังนั้นชีวิตสองท่อนนี้น่าประหลาดและน่าทึ่งมากครับน่าทึ่งตรงที่ว่าถ้าว่าความรู้ที่เรามี เราคิดว่าเราสะสมความรู้ความจําไว้เรื่อยๆทรงจําพระไตรปิฎกของครูบาอาจารย์เทศจําให้หมดจําให้หมดแล้วเราถือว่าที่สุดของมันคือจำได้หมดสิน้นนั่นก็คือเรากําลังเข้าใจว่าดักแด้ต้องพัฒนาความเป็นดักแด้จนถึงที่สุดคือกลายเป็นดักแด้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่เป็นความเข้าใจผิดเพราะแท้ที่จริงนั้นที่สุดเองดักแด้คือการกลายกลับฉัชาปนเป็นผีเสือ้อทั้งภายในคืนเดียวเท่านั้นนะครับเหตุการณ์ตลาด ศักยภาพอันซั้นเรม ไ, ได้ได้สำแดงเดดมันออกมาจากดักแด้ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้นอนนิ่งเหนียวคงกวังหนึ่งกลับกลายเป็นผีเสื้อซึ่งบินได้สีสวยแล้วก็เริ่มทํากิจของผีเสื้อดักแด้ทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากกันเหยื่อของนกของกาเท่านั้นผีเสื้อสามารถโผลบินไปที่ดอกไม้เริ่มงานผสมเกสรซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะอยากคิดว่างานเป็นอธิบดีกรมนั้นกองนี้สาคัญกว่าผีเสื้อ นี่ผมพูดจริงนะไม่ได้แกล้งพูดให้ตลกกับกันนะฮะสองท่อนของวิถีชีวิตของสัตว์ที่รวดักแด้และตีเสื้อนั้นมันมีสิ่งประหลาดที่อาจนํามาเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าผมไม่ได้บอกพระเจ้าคือดักแด้แต่นั่นคือข้อเท็จจริงที่ว่าเจ้าชายศิษย์สะเริ่มสังสมข้อรู้ธีรประการทีลประการข้อสังเกต พุทธวัติฝ่ามหาญาณเล่าละเอียดมากครับต่อการสั่งสมประสบการณ์ของการสั่งสมแพ่ขยายเพอร์เซพชันค่อยๆคิดค่อยๆเห็นค่อยๆตรองจนกระทั่งแม้แต่การเลือกสตรีที่มาเป็นคู่ท่านก็ตรองไว้พวกเราฝ่ายคดีว่าอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะนะครับที่ว่าเมื่อพระรชวิดาใช้ยุทธการปิดล้อมกลัวว่าเจ้าชายออกบวชซะก่อนก็บีให้แต่งงาน องท่านมีผู้หญิงในอุดมการ์เรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อถูกบีบขั้นมากเข้าท่านก็บอกว่าท่านจะแต่งแต่ผู้หญิงคนนั้นต้องเหมือนพระนางทุกประการต้องแสดงพระนางได้ให้แบบฉบับที่เป็นที่มาของอุดมผู้หญิงในอุดมคติของท่านพระนางของเป็นผู้หญิงที่อเมตตาใจแล้วก็รักองท่านอย่างเป็นอย่างมาก และนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าเมื่อบั้นปลายหลังจากทรงจับสรุ้บริหารคณะสงฆ์แล้วเนี่ยพณะนางขอบวชท่านยับยัง้งด้วยความเมตตาด้วยความรักสงสารไม่อยากจะให้ลำบากและพระองค์ทรงรู้ด้วยว่าเป็นรึ้นหัสเขาปฏิบัติธรรมะได้แต่ในสุดก็พระพุทธเจ้าทรงทรงถูกพระอ น, นวางอุบายจกระทั่งเงียบในการถามว่าอรหัส ต, ตะกนนั้นเป็นสิ่ง สาธารณกับทุกคนหรือว่าเฉพาะผู้ชายเท่านั้นเมื่อางนี้พระเจ้ากระส่งนิ่งเงียบพูดไม่ออกพานอนได้ตีก็รุกรู้ว่าพระนางมีพระคุณใหญ่หลวงป้อนนมตั้งแต่อายุน้อ ย, อยเหตุฉนัยยิงไม่ประทานการบวชเพื่อให้ได้รับอรหัตผลถือว่าสิ่งเป็นสิ่งที่เลื่อพระเจ้าเลยพูดไม่ออกครับทรงประทานอนุญาตและตั้งเงื่อไนไขการส่งสมความรู้ของเจ้าชายศิลป์ธรรม เป็นการสังสมแบบค่อยเป็นค่อยไปมไม่ใช้คำว่ากระดวนะค่อยค่อยสะ ส, สมประสบการณ์เนื่องจากทรงมีความจำเป็นเลิศความช่างสังเกตคำพีมหายาณเขียนเล่าว่าท่านเห็นวงจรปฏิศัสบากน้อยๆอยตั้งแต่เด็กเด็กถ้าเห็นนม่กินกากินแมลงแล้วมีการกินมันทอดทอดผมเชื่อนี้ประวัติเหล่านี้ไม่ใช่เขียนโมเมที่จริงในชีวิตของเราเราก็สังเกตอยู่ เราไม่สามารถสารเรื่องเหล่านี้ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องหลักของการนำรงอยู่มันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านเลยนานๆจะแวบๆขึ้นมาว่า เ, เราเคยรู้สึกได้บ้างแต่แล้วลังเลผลาออกรู้สึกว่าน่านเป็นอย่างนี้เอ๊ะไม่น่าจะใช่ดังนั้นอุปนิสัยของคนที่ยังไม่ได้ฝึกสติจะมีอาการโลเลครับโลลับปะหีโนมีคํา